ปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ผู้สวดคล้ายๆจะพูดออกไปก็ไม่มั่นใจที่ตัวเองจะพูดออกไปนั้นมันจะถูกและผิดสะดุดกรดุดก่อนที่จะขึ้นสวดปฏิโมกให้ครูบาอาจารย์พระนส่งฟังอย่างน้อยต้องซ้อมติดๆกันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเน่ยไม่ต่ำกว่าสามวันหรือถ้าว่ายังไม่คล่องซ้อมครั้งที่หนึ่งแล้วยังไม่คล่อง ซ้อมมาซ้อมมาเัาตรงเร่งในการจะขึ้นธรร ม, มาทไม่ใช่ว่าจะจุดขึ้นไปเลยปฏิโมกษไม่ซ้อมซ้อมไม่ไม่มากเท่าที่ควรรู้เลยแหละเพราะเหตุไดเพราะหลวงพ่อเคยสวยดปฏิโมกมาก่อนแล้วถ้าปฏิโมกซ้อมอย่างเข้มข้นจะไม่เป็นอย่างนี้นะพูดด้วยความมั่นใจบอกไปด้วยความมั่นใจถ้าผิดก็รู้เพรมามันผิดไม่ได้ฝึกเท่าที่ควร พอขึ้นมามันก็เลยมันไม่รุ่นถึงจะพูดออกไปก็ด้วยความไม่มั่นใจเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองไม่ไม่ได้ซ้อมไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นใครองค์ไหนก็ตามจะขึ้นมาสวดนะต้องเข้มงวดกดขันซ้อมให้คล่องแคล่วครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนมอบความไว้วางใจให้แก่พวกท่านให้ท่านองคนะ์นั้นขึ้นมาสวดในวันนี้ คือคณะสงฆ์มอบความไว้วางใจให้ท่านขึ้นมาสวดท่านสวดก็ต้องสวดด้วยความมั่นใจสวดด้วยความตั้งใจสวดด้วยการซ้อมให้คล่องแคล่วไว้แล้วจึงขึ้นมาสู่ธรร ม, มาทแห่งนี้ไม่ใช่ขึ้นมาสวดสวดแบบไม่รับผิดชอบยังไงก็ได้หมู่ฟังไปยังไงก็ได้ครูบาอาจารย์ฟังไปยังไงก็ได้มันก็เลยดูดูแล้วมันไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ พว ง, งงา่ายๆไม่ศักิ์ในการฟังในการแสดงฮะแสดงไปแล้วไม่ภูมิใจเพราะตัวเองกระสวดรวดไปอย่างนั้นผูฟ้ฟังฟังเออทำไมปฏิโมกวนันนี้ดูมันไม่เริ่มเลยไอย่างนี้อขอให้พวกเราทุกท่านนะใครมีหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดจะให้ขาดุกบกพ้่องในเมื่อ ทูบายการค ณ, ณะสงหมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนมอบความไว้ว า, างใจไปแล้วต้องทาหน้าที่ให้ดนะีถ้าว่าตัวเองยังอ่อนซ้อมเราก็พูดกับหมู่ก็ได้เฮ้ยผมขอซ้อมปฏิโมกก่อนนะสองสามวันผมไม่ขอรับภาระเพราะว่าปฏิโมกของผมเนี่ยยังอ่อนอยู่คราวนี้ขึ้นไปแล้วผมไม่ดีแน่ขอให้หมู่พวกเพื่อนมาทำหน้าที่นี้แทนผมก่อนนะ แต่ผมก็จะดูแบบไกยๆไว้ก่อนแต่ในช่วงที่ผมจะสวดปฏิโมกขอให้หมูพวกเพื่อนมารับหน้าที่ของผมแทนเนี่ยหมูทั้งหลายก็คงจะไม่ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะปฏิโมกเป็นหน้าที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องนั่งฟังจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการสวดพระปฏิโมกของพระสงฆ์เพราะเป็นกิจของสงฆ์เป็นกิจที่สําคัญยิ่งวันหนึ่ง ในเมื่อถึงสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ดับสิบห้าค่ำจะต้องมีการสวดพระปฏิโมกจะต้องให้องค์ใดองค์หนึงหน่งขึ้นมาสวดพระปฏิโมกแต่ถ้าว่าไม่มีองค์ไหนสวดปฏิโมกพวกเราก็จะต้องไปลงอุโบสถที่อื่นวันเนี้ไปลงที่วัดที่ท่านสวดปฏิโมกข์ได้เพราะเราไปฟังที่อื่นอันนี้คือเป็นกิจของสงฆ์คือความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้น องไหนก็ตามที่ขึ้นมาสวดเปื้องอาบัตให้โมเรียกว่าสวดพระปฏิโมกแนะนำให้พระสงฆ์นั่งฟังด้ว ค, ความมั่นใจด้วยความตั้งใจถูกอักคระทุกอย่างมันก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่สวดถ้าว่ารมสัจธรรมรำลอๆแหละถือว่าเป็นของเล่นไปเป็นของสนุกไป ไม่ได้ถือว่าเป็นนิพูธทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเราเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่มาประกาศที่เอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้พระนะสงฆ์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยรับรู้รับทราบสรุปแล้วเสมือนกับเราเป็นพิพากษาอย่างนั้นนะคือเอาคําของในหลวงเอากฎหมายในหลวงเอาคําศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะขึ้นมาพูด เราก็จัดอาสนาให้นั่งที่สูงกว่าหมู่เพื่อนทั้งหมดเพื่อจะให้ท่านได้แสดงพระปฏิโมกให้พระสงฆ์ได้ฟังพระสงฆ์ก็นั่งปน ม, มือฟังทั้งที่ท่านมีอายุพรรษาน้อยกว่าเพื่อนพระองค์มี อ, อายุพรรษามากอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อปน ม, มือฟังฟังองค์ที่แสดงเพราะนั้นถือว่าองค์ที่แสดงนเป็นองค์ที่สาคัญยิ่งยกให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่มาประกาศเอาหลักธรรมคำสอนเอาพระวินัยมาบอกมากล่าวมาแนะนำให้แก่พวกเราเมื่อจบเสร็จเรียบร้อยกับประกาศขึ้นมาว่าปริจุดเททธาญาสมันโตตัสมาตุลนหเอวะเมตังธารยามิที่ข้าพเจ้าสวดจบจบลงสักครู่นี้ท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใช่ไหมถ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทั้งหลายนิ่ง ข้าพเจ้าจะได้ประกาศสวดบทอื่นต่อไปสวดพระวินัยข้ออื่นต่อไปคล้ายๆมีอํานาจในตัวผู้ที่สวดเสร็จพร้อมที่จะประกาศให้แก่พวกอกที่จะมีอายุควาสามารถขนาดไหนก็ประกาศวัอนในข้าพเจ้าขอประกาศให้แก่พวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลที่ข้าพเจ้าสวดมาทั้งหมดนี้ใช่ไหมถูกต้องหรือไม่ไม่มีการตําหนิใช่ไหมไม่บกพ้อง ในศีลของตัวเองใช่ไหมข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายนิ่งข้าพเจ้าจําความนิ่งอันนี้ไว้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าจะได้สวดประกาศสิกขาบทอื่นต่อไปนี่แหละอันนีนะ้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพิพากษาเป็นตัวแทนในหลวงลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะฉนั้นเราจะไปถือว่าของเล็กน้อยไม่ได้ เมื่อเราจะขึ้นข้ามาสกเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมให้ถูกต้องอย่าให้ขาดตัวบกพร่องในการที่จะขึ้นส่วนนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคือใครรับหน้าที่อะไรก็ให้รับหน้าที่ด้วยความจริงจังและจริงใจฟังฟังดูแล้วถ้าจริงจังและจริงใจแล้วมันจะรื่นแต่ถ้าว่าไม่รับด้วยความจริงจังและจริงใจแล้วมันผุกขักขัดฮะมันไม่ริ่น เ น, นมันไม่เลื่อนก็คือมันไม่ถูกต้องนั่นแหละสรุปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นประธานถ้าผมไม่ตำหนิแล้วองค์อื่นจะตำหนิคงจะตำหนิไม่ได้ผมฟังดูแล้วผมเคยสวดมาแล้วผมเคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงกล้าพูดกล้าตาหนิผู้ที่สวดมาแล้วไม่ตั้งใจไม่สาทยายก่อนที่จะขึ้นหรือไม่ฝึกซ้อมก่อนที่จะขึ้นมาบนธรรมะ ประกาศพ่อวินัยให้แก่หมู่พกเพื่อนได้ฟังคะเพราะนั้นขอให้ทวกองคนะตั้งอกตั้งใจอันนี้คือศิลพูดเรื่องของศินเมื่อกี้เนี่ย2องของพระอันนี้ศินมาพระศิลพระปฏิโมกส่วนศิลอภิสมาจารนั้นยังมีอีก น, นอกพระปฏิโมกมีอีกอันนี้คือศิลพระปฏิโมก ค, คือศินสองี่สิบข้อ ปาราชิกสี่สังฆาทิเศษสิบสามอานยศสองนิตยคียาปายกิตตีสาสบปายิตตีเ้าสปฏิเทศจนยะสเสกิ ย, 4, กยวัตเจ็ดสิบห้ารวมเป็นสองอยี่สินับทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น 7, สองรยี่สิบเจ็สิงสองยี่บเจ็ก่อนที่พวกเราจะต้องอาบัตก่อนที่ผระสูจะต้องอาบัตมีหอย่างขอบุเจยาวมีหกอย่าง คือต้องด้วยไม่ละอายห น, นยึ่งต้องด้วยไม่รู้สิ่งนี้จะเป็นอาบัติหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต้องด้วยสําคัญว่าไม่ไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งลืมสติก็เป็นอาบัติเหมือนกันนะสงสัยแล้วก็ขืนทำลงไปอันนี้ก็เป็นอาบัติเพราะนั้นอาการที่พิจิตรจะต้องอาบัติมีหกข้อมีหกอย่าง ให้พวกเราศึกษาในนวโกวาทก่อนที่จะก่อนที่ท่านจะพูดเรื่องอาบัตินั้นท่านจะบอกสัก่อนวิธีพิกกรที่พิกษุจะต้องอาบัติหรือภิกษุจะต้องอาบัตินั้นต้องมีหกอย่างไม่ละอายเนี่ยกระชัดๆอยู่แล้วคือนดื้อด้านไม่ละอายต่อบาศจับเงินจับทองอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะมันไม่ไม่ละอายมันมีฮิลิยอมละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาศก็ก็ไม่มี เพราะเราไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีเราคึงทำไปเรื่อยเพราะเหตุรเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติหนึ่งแต่ก่อนเราที่ทรู้รู้ว่านีร่รู้ว่ามันจะเป็นอาบัติแต่เราไม่ละอายอันนี้ความไม่ละอายคำเนี่ยเป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นพระอรัชีอริตานะ เป็นผู้ใหม่มีความละอายไม่มีความยางอายไม่จิตในใจอันนี้ใช้ไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาถ้าเป็นลูกของพระพุทธญาลูกนอกครอกลูกแวกแนวลูกไม่อยู่ในหลักธรรมคําสอนไม่ใช่ลูกพระพุทธญาลไม่ใช่สาสกะยะบุตรที่แท้จริงเสมือนกับลูกพ่อแม่เหมือนกันถ้าคนไหนทะอกจังใจทําการทํางานเรียนหนังสือแล้วก็ทําการทํางานรับติดชอบในครอบครัวอันนั้นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นอนุชาตตบุตรอ่ะเป็นเป็นอวะชาตตบุตรอนุชาตตบุตรอภิชาตตะบุตรแต่ถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ดีก็เป็นอวะชาตตบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นบทที่ต่ํากว่าพ่อแม่แต่ถ้าว่าเรารักษาทำมินัยอยู่เป็นอนุชาตตบุตรคือเป็นบทที่เสมอพ่อแม่แต่ถ้าเราทําดีเราอภิชาตตะบุตรคือยังไงยังไงก็ไม่เหลือกว่าไม่เหนือกว่าพระพุทธเจ้าแต่เหนือกว่าครูบาอาจารย์ ที่ท่านไม่ได้มักใน้ผลเราก็เหนือกว่าแต่ท่านได้มักใน้ผลเราก็นั่นแหละเสมอพ่อเสมอแม่เป็นอนุชา ต, ตบุตรเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะพูดทางนี้เท่านั้นคือเป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกเราให้เป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอยา่าทำอย่าโพดก่อนที่จนะยาคิดอยาคิดอย่าทำอยา่าโพดในสิ่งที่มันไม่ดี ก็รู้อยู่แล้วมันผิดนะเราก็เรียนรู้อยู่แล้วขนาดนี้เราจะไม่รู้เหรอเราบวชมานานขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกพระวินัยเราไม่ได้ศึกษาเหรอเราโง่ถึงขนาดนั้นเหรอสินของตัวเองสองร้อยิบเจ็ดรักษายังไม่คุ้มเราไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นแค่ไหเหรอเรื่องสินคืออะไรวินัยคืออะไรเราไม่ไรักษาเหรอถ้าเราไม่ได้รักษาก็แสดงว่าเราโง่ามากเราเป็นผ้าที่โง่เง่าเต่าตุ่นมากเป็นอาวัชชา ต, ตบุตรของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่สากยะบทจะแล้วถึงจะเป็นบทของพระพุทธเจ้าก็เป็นบทเรเ็วเราจะเป็นบทเร็วหรือเป็นบทดีของพระพุทธเจ้าให้มองให้มองเรานะให้พวกเราท่ทั้งหลายมองตัวเองอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องในธรรมให้ทําในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัย ถ้าพวกเราทําตัวได้อย่างนี้อันนั้นแหะคือศากสากายาสกยบุตรที่แท้จริงนะจ๊นะนี่ขอให้พวกเราทุกท่านนะพระเนรทุกองคนะ์พระทุกองค์นาะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสน า, ศาทั้งนี้ทางนั้นก็อย่างที่ผมพูดนะถ้าพวกเรารักษาสิ่ดีแล้วความภาคภูมิใจในตัวของเราก็จะภาคภูมิใจนะก็ยิมยิ้มย่มยมยองในใจเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายนะเราทําความดีมาตลอดเราประพฤติปฏิบัติ เป็นพระดีมาตลอดเราอยู่ในศีลธรรมมาตลอดถึงเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มเราก็เป็นพระคงเส้นคงวาเมื่อเราเป็นพระแก่เข้ามาบวชเมื่ออายุแก่เข้ามาบวชเราก็เป็นพระที่ดีเพราะพระในครั้งพุทธการก็มีอายุมากเราก็มาบวชก็ปีต่างเยอะแยะไปพระราธพามอายุถึง80สิบปีถ้าจะมาบวชท่านก็ยังได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลได้แต่เรา ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่มีองค์ไหนที่อายุถึง80ปีเหมือนกับพระราธบพามนี่แต่ถึงยังไงเราก็มีความพยายามมีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ในจิตในใจของพวกเราถึงอย่างน้อยก็เป็นพระที่ดีเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์คณะสภาญาติโยมแต่ถ้าเราทําตัวไม่ดีไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยออกนอกลูกนอกทางโลหโมโมฆะ เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่พูดแก่คุยเห็นแก่ทางโลกทั้งหมดทางโลกทั้งหลายเอาหมดความชั่วชา้าเสียหายทั้งหลายไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกับพระตาบอดอย่างนั้นเหมือนกับมาตาบอดมาตาบอดวัวควายตาบอดอย่างนั้นะคือไม่ได้มองเห็นสินเห็นธรรมอย่างนั้นตัว่าใช้ไปได้นะมุหมูพวกเรานะให้มุ่งมั่นนะคือผมสอนทางนี้ทางนั้นผมไม่ได้ดูถูกเกลียดแย้มหมูพวกเพื่อน มีแต่วันแมแนวท่านเองว่าอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทำไปแล้วมันเสียหายไม่ใช่เสียหายตัวท่านนะตายไปแล้วไม่มีอะไรท่านแต่พระพุทธาศาสนาเสียหายเสียหายยังไงให้เราผู้ที่มาอยู่กับท่านตัทาย า, าิโยงของท่านจะเบื่อนายพระไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนพระชั่วท่านไม่ไม่เป็นพระที่ดีนะถ้าถ้าเป็นพระที่ดีแล้วเ ป, เ, เป็นเพื่อนเป็นเครื่องเชิดชูบูชาในวงการพระพุทธาศาสนารู้สึกว่า ดังไปทั้งหมดทีนี้ไปที่ไหนไปวัดไหนไปวัดไหนไหนครูบายอาจารย์องค์ไหนการล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมปฏิญธธรรมที่ดีมีศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะโง่แสนโง่ก็อยู่ในโง่ให้โง่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะฉลาดแสนฉลาดยังไงก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าไปฉลาดแวกแนวจะไปฉลาดแวกวงแว ก, กอออกไปจากหลักพระธรรมวินัยอันนั้นใช้ไม่ได้นะะงวกเราตั้ง ใจประพฤติปฏิบัตินะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกต์แล้ยังค่อยเลิกกันนะแล้วขึ้นมาใหม่วันนี้เป็นวันพระแล้วขึ้นมาไหว้พระต่อนะสวดท้ายปฏิโมก